การศึกษาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะชีวิตของเรานี่ให้มีกิตกรรมที่เป็นการพัฒนาชีวิตของเราปล่อยปละละเลยไม่ได้เพราะาคนเรานี่มันมีพบภูมิ ต, ามต่างๆดังที่เราสวดมีพบต้อยพบใหญ่มีสังเสทชะขันเชะชลาภุชะ โอปปาติกะเกิดดับเกิดดับไม่พบภูมิต่างๆแล้วคนเรานี่มันก็ <c oughs> มีภูมิมันต่ํามีเปรตมีสุรกายมีสัตว์นรกมีเดริลชานแต่เราไม่วิวัตพัฒนาก็ตกไปสู่ภูมิมันต่ําไม่เจริญให้เหมือนสัตว์เดริลชานสัตว์เดริลชานเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว หาเจ็บกินแมลงหายกินหญ้าหายกินครูดกินอะไรต่างๆคนเหล่านี้ถ้าไม่ศึกษาหรือว่ามีคนเหล่านี้มันมีาศาสนามีาศาสน า, ามีพิธีกรรมเพื่อพัฒนาให้ไปสู่ภพภูมิบนสูง โดยเพราะการปฏิบัติทมเนี่ยมันตัดพกตัดชาติได้ในคนพูดว่าคนเรานี่ไปตกนรกเท่ากับขนโคไปสวรรค์นิพพานเท่ากับเขาโคพวกเราจะไม่ยอมเพราะว่ามันทำได้อยู่ จะไม่ต้องไปตกต้อโลกเท่ากับขนโคถ้าจะไปจริงกิงก็ให้ให้เท่ากับเขาโคลใหน้อยเอากันไว้ขนกันไว้ช่วยกันไว้ช่วยบอกช่วยสอนกันไว้ช่วยนําพาปฏิบัติอย่างวัดสุขโตนี่ช่วยกันอ่าไม่กี่เวสสุกเวสิกาเขาช่วยกันปรุงอาหาร สมเน้นเมนเนรนีก็ช่วยกันดูแลอะไรต่างๆาององาก็วกวสงฆ์องค์เจ้าช่วยกันปฏิบัติทุกวัสุขปัจจิกาช่วยกันปฏิบัติถ้าใครมาปฏิบัติก็ถือว่าเป็นความาัถนาของพวกเราที่สุขโตจะเห็นปฏิบัติเห็นเจริญสติเนี่ยเป็นสุดจอดของที่นี่ เอื่องก็เป็นส่วนประกอบ <c oughs> โดยเพราะวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีคิดชีวิตของเราได้จริงจิงเราไม่กรรมเป็นของของตัวเราทําดีก็จะได้ดีเราทําชั่วก็จะได้ชั่วมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงเราจเจริญสติมันก็มีสติความหลงมัน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 เราจึงมาปฏิบัติทมกันแล้วเราก็ทำได้เราก็ทาได้เรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เราจะปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นมาใช้ชีวิตของเราใ ห, ให้มันเกิดมากเกิดผล ไม่ใช่ไปยอมรับรอวันตายรอวันแจ่อรอวันเจ็บไม่ได้เราต้องมาใช้ชีวิตทั้งนั้นเป็นประโยชน์ก่อนที่เราจะแก่จะเก็บจะตายมันก็เป็นประโยชน์เป็นมอกเป็นผลช่วยคนอื่นได้เยอะช่วยกันได้มากชีวิตของเราเดีวมันก็ช่วยได้จริงๆงถ้ามองสวนกันบ้าง มีความเกิดมันก็ต้องมีความไม่เกิดแต่มีความแก่มันก็ต้องมีความไม่แก่ถ้ามีความเก็บมันก็ต้องมีความไม่เจ็บเมื่อมีความตายมันก็ต้องมีความไม่ตายนี่การมองแบบสิทธัตถะสมัยเป็นเจ้าป้าชายไม่ยอมไม่ยอมเรื่องนี้หาคาตอบให้จนได้แล้วก็ตอบได้ มาประกาศจู่ตลอดทุกวันทะี่ถึงมาถึงผลได <c oughs> นะ้วิธีที่เราปฏิบัติอยู่นี่นะคือเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับจนไม่ต้องทำอะไรจนค้นพบความไม่เกิดความไม่เจ่ความไม่เจ็บความไม่ตายเหนะือการเกิดเจ่เจ็บตาย ทีที่ปฏิบัติที่เราทําอยู่เนี่ยเจริญสติอยู่เนี่ยมันถ้ามีสติมันมันเห็นเห็นมันเกิดเห็นมันเจรเห็นมันเจ็บเห็นมันตายมันเกิดอะไรบ้างถ้าจะเป็นภาษาของการเกิดกำเนิดสังเสตชะคันทชะเจริญปุชะโอปปาติกะมันเกิดมนเกิดในภพภูมิ โดยพะปฏิบัติทำมันเป็นโอปปาธิกะเกิดเป็นพระขึ้นมาเกิดเป็นพระขึ้นมาเราให้กำเนิดเกิดความเป็นพระมีสติมีสมัมมาชัญญะแต่จะให้กำเนิดเกิดเป็นเทวดาความมีความละอายต่อความชั่วไม่กล้าคิดชั่วไม่กล้าพูดชั่วไม่กล้าทำชั่วกลัว พวกชั่วไม่ไปแต่ต้องเบื่อนายความชั่วจะคิดก็ไม่กล้าจะพูดก็ไม่กล้าจะทำก็ไม่กล้าเนีพบภูมิของเทวดาในเทวธรรมในเมตตากรุณามุทิาอุเบกขาต่อทุกสัตวสิ่งก็เป็นพบภูมิของพรหมแต่วางผู้บังคนไม่มีพบภูมิอย่างนี้เลย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 มีความสุขเพื่อมีกิจบริสุทธิ์เนี่เพราะว่าที่ไม่เกิดไม่แจ่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่ความสุขเพื่อมิจฉิญเจ้าอะไรในเรามาเอาภพภูมิถ้าภพภูมิมันควรเป็นพระก็ประุศลไม่เปิดไม่เพื่อนกับสิ่งใดคนมีสติไม่เปิดไม่เพื่อนกับสิ่งใดภพภูมิของพระผมมจันท์ไม่เปิดไม่เพื่อน ไม่เปิดไม่เพื่อนกับความสุขไม่เปิดไม่เพื่อนกับความทุกข์ไม่เปิดไม่เพื่อนกับความโลภโกรธหลงไม่เปิดไม่เพื่อนกับความรักความชังมีแต่สติรู้ดูเห็นไปเห็นอะไรก็ได้ถ้ามันจะมีในกายในจิตของเรา้าเห็นเราก็ไม่เปิดไม่เพื่อนเป็นพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่เป็นรสชาติของชีวิต ดืม่มเหมือนมันดะเอายอดโอชาแห่งโครตมันดะยอดโอชาแห่งโครตโครตเน่ยเขาว่าโครเท่าไหร่โครห้ารอยพันตัวเอามาเอาเป็นเตยเป็นนมให้มันผสมกันให้มันโยอดหลายหลายอย่างกันกลองเอามันดะเนยไม่ใช่เนยยอดโอชาแห่งโครต ในแต่น้ำนมโค5่ร่อยพันตัวเอาไปลดหน่อมาสีมหาโพี่เขาฆ่าตายพระเจ้าโอโศกมหาราศเอาไปลดหน่อโพก็ เ, เกิดขึ้นมาอั น, นี้ผมไมจัน์หน้าดื่มเหมือนมันดะยอดโอชาแห่งโครถความบริสุทธิ์ใจอ่าก่อนที่จะ แก่เจ็บตายให้มีสิ่งเหล่านี้แก่อนที่จะมีเราต้องสร้างเอาขอไม่ได้การสร้างสิ่งเหล่านี้นี่แหละกรรมฐานวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ริขิทำรูเราก็รู้ได้จริงๆแต่รู้มันก็ไม่หลงจริงๆขอให้มีความรู้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอย่าให้มีความหลงเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือน เราจะปล่อยปะละ่าเลยไม่ได้เพราะชีวิตของเรามันมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจถ้าเราไม่เห็นไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นตั้งแต่บัดนี้มันจะไม่รู้จักเตรียมเนืดเตรียมตัวมันจะเป็นทุกข์แสนสาหัส มันไม่ใช่ชีวิตแต่ความทุกข์ความไม่ทุกข์ความรู้สึกตัวเนี่ยมันชีวิตมันไม่เป็นอะไรกับอะไรเนียเราจะปล่อยให้มันเป็นไ ป, นปนตามภพภูมิต่างๆไม่ได้เราต้องอยู่เหนือภพภูมิเพราะวะ่าภาวะแปลว่าภพภูมิกรรมฐานเหมือนหลักหลักอยู่กลางน้มที่มันไหล เราเกาะไว้แม้เรายังไม่ขึ้นฝั่งก็ยังพักผ่อนได้รู้สึกตัวเป็นการพักผ่อนเกาะไว้ยืนไว้ไม่แหวกไม่ไหวไม่มุดไม่โผล่รอยคออยู่ได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ในวัตฏะต่างๆมันหลงก็รู้มันสุข ก, ก็รู้มันทุกข์ก็รู้ที่มันเกิดดับเกิดดับรู้ไว้รู้ไว้ เอาไปเอามาความรูสึกตัวควมรูสึกตัวที่มันมีฐานมีหลักมีที่เกาะที่ยืนไว้เนี่ยมันก็ไม่สิ้นเปืองพลังงานใ่สิ้นเปืองไม่เข้าไปสู่พบปูบต่างๆทวนเอาไว้การทวนแบบเนี้ยเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติตคือทวนคือกลับ ไม่ไปกับอะไรง่ายๆนะเอาไปมามันก็จริงขึ้นมาเห็นความเป็นจริงที่ผ่านหน้าผ่านตาหลายๆอย่างมันผ่านให้เราเห็นมันหลงกาผ่านให้เราเห็นมันสูกมันทุกข์กผ่านให้เราเห็นมันเกิดขึ้นอะไรต่างๆเกี่ยวกับกายกับก จ, จิตใจมันก็ให้เราเห็นอยู่มันไม่รับไม่รีกผู้มีสติสัพชัญญาก็ดูเอาฉลาดเอาความหลงก ทำให้เราฉลาดทําให้เราเกิดความรู้ความทุกข์ก็ทําให้เราฉลาดทําให้เราเกิดความรู้หรือความทุกข์เนี่ยถ้าเริงในความรู้จริงๆ ก, ก็เป็นมรรคผลใน่านได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราเนาะความทุกข์แต่แท้ทให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าแต่บางทีเราไม่ไม่มีวิธีปฏิบัติความทุกข์ทำให้เป็นปุถุชน คมทุกข์ทำไมเป็นผู้ปู่มันตำ่ำเป็นอารกก็ได้แต่พระพุทธเจ้าเน่ยความทุกข์ทำไมเกิดเป็นพระพุทธเจ้ามองทุกข์ให้เห็นมองทุกข์ให้เป็นจะเป็นพุทธะได้มันรู้มันตื่นโอ้โหมาเห็นทุกข์ไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นการเห็นอย่างปึกซึ่ดถ้ามีสติเข้าไปเห็น พอเห็นมันก็ไม่เป็นเป็นปัญญาพูดแล้วพูดอีกการเห็นทุกข์มันเป็นปัญญาไม่ใช่ทุกข์เพื่อสร้างความทุกข์ความทุกข์ต่อไว้ให้เกิดเป็นทุกข์ความหลงต่อไว้ให้เกิดเป็นหลงความโกรธต่อไว้ให้เกิดเป็นโกรธ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 ชีวิตเราก็ต้องให้มีทางแบบนี้ถ้าเราไม่เป็นอย่างนี้มันก็นเสียเสียชาติจริงๆไม่มีค่าอะไรเลยมีแต่รังให้เกิดทุกข์เกิดโทษเจาออตัวเองไม่มีหลักมีฐานมีการใช้ชีวิตแบบนี้ แต่ถ้าฝึกหัดนะ่ะถ้าไม่ฝึกหัดมันก็ไม่เห็นไม่เป็นเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ฝึกหัดมันต้องผ่านการฝึกหัดการฝึกหัดก็คือวิชากรรมฐานเนี่มันทําให้เราฝึกหัดหลายฉากหลายบทหลายตอนมันหลงก็เห็นมาเป็นตัวลูกซะง่วงเอาจรินเอาจังเปลี่ยนมาเป็นตัวลูกอย่าให้ไปเป็นอื่นไป ถ้าไม่ปฏิบัติไม่กลับไม่แก้ไม่เปลี่ยนไม่โต้ไม่โตปไม่ทักไม่ท้วงมก็ง่ายเกินไปไม่ละมวลสงวนตัวก็ง่ายที่จะไหลไปกับอาการต่างๆจึงมาฝึกตัวเองนี่แหละมาฝึกผลตนเองโู๋หลวงปู่เทียนมาสอนแบบนี้ไม่เคยมีใครสอนหรอกสอนให้มีความรู้สึกตัวเอากายมาสร้างความรู้เอาใจมาสร้างความรู้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 พอมาลื่นหูลืนตาตาภายในของเราคือความรู้สึกตัวนะว่าแต่เราตั้งหลักให้ดีๆนะอย่าพัดเข้าไปกับมันง่ายๆมันหลงก็เห็นนะนะตั้งหลักไปมีหลักเล้ยวแต่มันหลงเป็นผู้หลงไม่ไม่มีหลักไม่มีหลักโคตรไปแล้วไปแล้วไปกับความหลงแล้วไม่มีที่เกาะก็มาฐานตามรูปแบบของบัพรพการเจริญเสเติมันเกาะได้จริง แต่มันง่วงเกิดขึ้นอะไรก็กอเอาไว้เขื่อนไว้มันเพียงพอที่จะปลุกความรู้สึกขึ้นมาให้มันตื่นขึ้นมามันอ่อนแอตรงไหนเข้มแข็งตรงนั้นมันปิดตรงไหนเข้มแ ข, ข็งตรงนั้นสอดรู้สอดเห็นแล้วก็ทำได้ความรู้สึกตัวมันทำได้มันจะฟื้นขึ้นมามันจะฟื้นขึ้นมาเอาไปเอามาตัวรู้สึกตัวนี่แหละเป็นตัวที่ไม่เป็นอะไรกับอะไร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 กำเนิดอันเกิดดับเกิดดับแบบนี้ก่อนที่มันจะเกิดในคันธะคสังเสริฐเฉะมันต้องเกิดตรงนี้ไม่ใช่ไปเกิดตรงนั่นผุดขึ้นมาไม่ใช่แล้วก็ปฏิบัติเราลู้อยู่ในมันก็คุมกำเนิดของการเกิดแบบนั่นขึ้นมาถ้ามันจะเกิดก็เกิดเป็นพระเรียกว่าโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเกิดเป็นพระได้ เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรมเทวดาไม่ใช่เทวดาแบบเทวดาเป็นคุนธรรมพรมก็เป็นคุนธรรมเป็นคุนธรรมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่รูปอะไรไม่ใช่รูปรูปปงนะคนที่มีคุนธรรมช่วยกันและกันได้หลวงพ่อก็เคยเจอเทวดามากันสมัย เข้าไปกรุงเทพเดินทางเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปพักกับวัดเพื่อนวอไปวัดถึงวัดเพื่อนเละมันหมดแรงเขานอนเลยคุยกันแล้วก็นอนแล้วก็หลับพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นมุ่งคอบตัวเองอยู่ แส้งว่าเทวดาก็มองแบบโอ้เทวดามากางุงให้เราน้ะนะเทวดาก็คือพระพระสุนารนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นครูสอนโรงเรียนอยู่บ้านโคกกุงเนี่ยเคยเคยปวดพร้อมกันพรไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพนี่เทวดาช่วยเราเทวดาไม่ใช่เป็นอากาศ เป็นอะไรต่างๆอ น, นั้นก็เทวดาก็ได้เทวดาอากาศดีๆลูกข้เทวดาต้นไม้ล้มไมยใหญ่ๆโอ้ยไปนอนนกไปนั่งไปนอนนกหนูได้กินลูกไม้ได้ก็อาศัยได้สร้างความชื้นให้ฝนตกเออมันก็เป็นเทวดาได้ภูมิมาเทวดาที่อยู่อาศัยมีอาหารปลูก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 พรหมก็ช่วยเรามีเมตตากรุณามีมุติตาเปรคขาคราใดที่คิดอะไรพูดอะไรทำอะไรเมตตากรุณาแล่นออกไปก่อนแล่นออกหน้าก่อนเลยพูดเชิงใดทําชิงใดคิดเชิงใดประกอบด้วยเมตตานะเพระพรหมช่วยเราไม่มีคําว่าอิจฉาเบียดเบียนนะคุณธรรม ไม่ได้คิดอาคาดพยาบาทเปลี่ยนเบียนเขาเห็นปิดจากทัวนองครองธรรมโลกพยาบาทเขาไม่มีแล่นออกไปโดยคนธรรมเป็นพระคุณพระคอช่วยเราคุนธรรมเนี่ช่วยเราเรานัอ่งอยู่ที่ไหนก็เทวดาช่วยเหมือนกับเทวดาอยู่กับเราเทวดาคือคุนธรรมบางทีเราทําเนี่ยมันเกิดขึ้นมา เกิดเ้นมาได้คุณธรรมต่างๆที่ไม่เคยมีเกิดขึ้นมาเคยหลงอา้าเป็นความรู้แล้วความรู้สึกตัวช่วยเราเบางทีมีความมั่นคงเป็นปกติไม่หวั่นไหวอา้าวศีลมาช่วยเราไม่เคยเห็นศีลช่วยเราเลยเอาบุญคือใจดีมาช่วยเราคิดชั่วทุกใจร้ายไม่มย ใจดีช่วยเราช่วยเราแล้วไม่พอช่วยอะไรอีกหลายอ่ ะ, ะเกิดขึ้นมาเราจะทำยังไงจึงจะให้เกิดคุณธรรมในผู้ในคนเพื่อให้คนไปช่วยเราสอนให้คนไม่บุญบุญที่อยู่กับคนก็ไปสร้างบุญให้เกิดบุญเวลาเราเดินธรรมญาติตามหลวงพ่อประกาศไป่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 งอมือขออ้อนบอนอะไรต้องมาสร้างให้มีน้าใจดีๆสิแต่ก่อนก็ไม่เคยรักอะไรมากมายพอมาปฏิบัติธรรมมันไม่เมตตากรุณนาะลักทุกสิ่งทุกอย่างลักเม็ดหินเม็ดสายลักต้นไม้ลักอากาศไม่กล้าทำลายลักผู้ลักคนไม่มีขอบเขต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 สมัยปฏิบัติใหม่ๆ ม, <c oughs> มักจะเอาความคิดเรื่องนี้ไปขวงกัน้นยิ่งหลวงปู่เทียนเนี่ยท่านพูดที่ใดท่านก็พูดว่าเงินโลยเงินผันหายากเงินหมื่นเงินแสนหาง่ายท่านพูดแบบเนี้ยท่านก็สร้างโบูถคนเดียวท่านพาไปดูบ้านอ่า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 ไม่เข้าไม่ของมีเครื่องใชยไม้สอยต่างๆเราไม่เคยได้ทําบุญแบบนั้นหรือจะเป็นเพราะเหตุนี่หนอเราปฏิบัติทำไมรู้อะไรจนได้พูดออกปากกับหลวงพ่อเทียนหรวงพ่เทีย น, ยนจับมือเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการทําบุญแบบนั้น กรรมฐานไม่ได้เกี่ยวไม่ต้องมีอะไรมายกมือสร้างจังหวะให้ลูกศึกตัวนี่หลวงพ่อก็าบอกว่าอาตมาลูกธรรมะไม่ใช่ลูกแบบนั้นอาตมาทำบุญกระถินอาตมายังโกรธหลวงพ่อเทียนก็เล่าให้ฟังเวลาจะทำบุญกระถินก็ตกลงกับภรรยาของท่านกับลูก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 พอดีพอทําบุญแล้วแม่เทียนมาถามจะให้ค่าหนังเท่าไหร่ค่าหมอลําเท่าไหร่พ่อเทียนเน่โกรธตึ๊บขึ้นมาเลยฮนะตึ๊บขึ้นมาเลยหลวงพ่อเทียนเล่าให้ฟังบอโกรธตึ๊บขึ้นมาขาะนั้นแขกก็ยังไม่หนีไปไหน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 แม่เทียนทำไมจังทำอย่างนั้นบอกแล้วนะพูดบ้าๆหมาๆไม่รู้เลยรแม่เทียนก็พูดว่าโอ้ยพ่อเทียนคอยก็ถามเจ้าเท่านั้นนาะเจ้าสิกโกดใช่บอเจ้าเนี่ยก็จะทุกข์ตอนนนเนี่ยทำบุญแท้ๆเจ้าก็ยังทุกข์อยู่นาะพ่อเทียนเลย ขอใก็ถามเจ้าทวนนั่นเนาเจ้าทําไมโกรธจังไงทุกข์กันแล้วเจ้าล่ะทุกข์แท้เจ้านี่ยพอเทียนเลยโอ้ยแม็นแล่อเหม็นแล้วเมื่เทียนเย้ยคอยทุกข์กิงกิงโอ้ยตั้งแต่วันนั้นมาอะไรมันคือบุญบุญมันคืออะไรตั้งบุญอยู่ยังทุกข์ยางโกรธให้แม่เทียนเนี่ย เ, เหตุที่ที่หามบุญนะ่ะ เราเถียนเลยพูดเรื่องนี้ฟังโมแมนบ์โมมนอย่าไปเอาเรื่องนั้นมานี่จเจริญสติเนี่ยแน่นอนที่สุดโอ้ยสร้างหมโนนว่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้เลยบัดนี้พอ ม, มาปฏิบัติธรรมได้บุญจริงๆใจมันดีกว่าเก่าไม่โกรธเลยไม่ทุกข์เลยเนี่ย นั่นเนี่ยอย่าเอาอะไรมาขวางขั้นต่อลองกับการปฏิบัติเลยไม่มีอะไรต่อรองการปฏิบัติเนี่ยนีแต่การกระทำลงไปสร้างสติลงไปสร้างสติลงไปอย่าเอาเพศว้มาต่อรองผมก็เป็นนักปวดครูอาจารย์ผู้สอนเราเป็นนักปวดเราเป็นฆราวาดเราไม่ลูกมีเมีย เราไม่ออกมาต่องเราเป็นคนยากคนจนเราเป็นคนเป็นผู้ไม่มีบุญวาสนาไม่ต้องเอาการกระทำเอาการกระทายกมือขึ้นมาลู่สึกตัวทำใจทำใจไปให้ลู้สึกตัวให้ลู่สึกตัวอย่างนี้นะนีเ่เลยวัดลิขิตให้เชื่อมั่นคำสอนพระพุทธเจ้า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 เสียศักดิ์ศรีโอ้พระเจ้าเลยโกนผมเอา้านุ่งถอดเครื่องประดับให้ชาวบ้านเวลาเดินเข้าป่าหลงไปกับมาชนะกะถอดเครื่องประดับให้ชาวบ้านเอาผ้าย้อมฝาดมาหม่มในบาทขอทานเลยโอ้พระเจ้าสุ้าโทตนะติ้วโกรธใจเลย ดูหมิ่นดูถูกตระกูลของมหากษัตย์ดูซิมันจะสวนทางขนาดไหนเคยอยู่พระราชาวังปาศาศาศาระสาทสามฤดูไปนั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพนี่ดูซิมียญาคานายสดทิพามสดเทียพามเป็นผู้ถวายให้ไปปูนั่งถ้าจะเปรียบเทียบ <c oughs> พระองค์คงจะเปรียบเทียบรุนแรงกว่าเราเรานี่ไม่มีอะไรเปรียบเทียบหนักเหมือนพระพุทธเจ้าเราบองคนก็ขับรถเก่งมาขับรถอะไรมาอย่างดีฮนะไม่ต้องมีเปรียบเทียบขนาดแล้วก็มีเพื่อนมีมิตรมีครูอาจารย์มีเพื่อนมีมิตร สมบูรแบบอุปสมบทศิษย์ภิกษุสงฆ์กติศาลาที่อยู่อาศัยอาหารการกินเนี่ยมันสะดวกแล้วอย่าไปอ้างพวกเราอย่าไปอ้างแล้วพวกเราก็สร้างวัดขึ้นมาเพื่อการนี่โดยตรงไม่ต้องไปคล้องแวะเกรงโกเกรงใจอยู่ได้หรือเปล่าคนนั้นอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปเอาคนอื่นมาอ้างอีกคนนั้นดีคนนี้นไม่ดี คนนั่นพูดฉันไม่ชอบคนนั่นพูดชอบฉันเป็นเพื่อนกับคน น, นั่นฉันเป็นศัตรูกับคนนี้หยุดเลยอย่าไปเอามาอ้างขวางกันอะไรก็ตา่างเรามาปฏิบัติเรามาเจริญสติความมุ่งหมายของพวกเราคือตรงนี้อย่าเอาอันอื่นมามาเจริญสติเอาเลยฮะแต่ว่าเราทําได้ให้พอกลางๆไม่ใช่ว่า บางทีเขาก็เอาเป็นตัวไปส่งถึงกติ ท, ที่อยู่เอาศัยห้องน้าห้องส่วมที่เดินจงกรมอยู่ตรงนั่นเลยนี่เราก็ไม่ทำผิดแผ่นพวกเราช่วยกันแบบนี้อย่าให้มันอคนอื่นช่วยจนเกินไปมันจะเกิดการอ่อนแรให้ไปให้มาให้พูดให้จาให้เดินไปกบไปฉันให้เดินมากติของตนให้ช่วยตัวเอง ถ้าคนอื่นช่วยเกิดไปหมันก็อ่อนแอติดบังตัวเองเก็บเงียบเกินไปก็อ่อนแอหูก็ให้มันได้ยินมีสติอาก็ให้มันเห็นให้มีสติคนเนนทาก็ให้เลยรู้มีสติคนเฉินละเฉินก็รู้มีสติมันจะลุยๆจักหน่อยมันจะเข้มแข็งมันจะทำให้อินรีแก่กล้าได้อันนี้ <c oughs> นี่เราฝึกทุกสถานการณ์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 เปียนความโกรธเป็นความไม่โกรธขยันตรงนั้นเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ข ย, ยันตรงนั้นเลามัน ง, ง่วงเอาหาัวนอนมันทับถมความรู้สึกตัวข ย, ยันโูวโชว์ความรู้สึกตัวให้มันเด่นขึ้นมามันจะกกเกือนให้มันหายไปก็ข ย, ยันตรงนั้นเพลี่ยนตรงนั้นเอาหลายๆแบบลินตาเุกนมามองท้องฟ้ามองยอดไม้ ความความรู้สึกยืดตัวขึ้นบั้นเอวหน้าอกต้นคอไวหน้าให้หลายๆอย่างโชว์ความรู้สึกตัวให้มีในกายในกิตของเราในการกระทำของเราตอนที่เราขยันขยันตรงนั้นเป็นพิเศษแล้วก็ภูมิใจนะเวลาใดที่เราเปลี่ยนเขียนมันง่วงเรามีสติพ้นจากขวมง่วงเหมือนพไฟจันทร์พ่นจากเมฆได้โอ้ เรียกว่าทำได้ทําเป็นเวลามันหลงเรียนคงหลงเป็นความไม่หลงมันจะมีบุทบาทตรงนั้นด้วยจะเก่งไปเรื่อยๆเก่งไปเรื่อยๆนะไปอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนะเนี่ยอย่าเอาอะไรมาขวางกันพวกเราให้สิทธิเสรีภาพให้เป็นอิสระส่วนตัวในการปฏิบัติท่านหลงท่านก็เพี่ยงคงหลงเอาเอง ท่าจะมีความรู้ท่านก็สร้างความรู้เ อ, เองอย่างอมืองอเท่าขอโลองติตัวตําหนิโทษตัวเองพอหลงเราก็เสียใจไม่ใช่ถ้าปฏิบัติจริงๆพอหลงมันจะยิ้มหออัวเราะความหลงขอทุกมันจะยิ้มหออัวเราะความทุกมองตอนเองแบบสนุกสนุกมันก็เกิดกับเรานี่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 โกรธให้ไปไม่ป่าอาวิธีที่จะไม่ให้ไยไม่ป่าโกรธมาเวลาใดเขาเล่เาเลื่องไปไม่วัดป่าสุกตโตนีโ่โอยโกรธนะ่ะเพียนพยายามที่จะเอาชนะไปไมป่ปราเออนี่โกรธให้ความโจรโกรธให้ความโกรธโกรธให้ความโกรธด่ดาตัวเองว่าเอ้ยท่านนี้ก็โกรธล้วเลยนะมันจะทำอะไรได้ โกรธให้ความโกรธมันก็ดีนะการปฏิบัติธรรมมันตอบโต้ตอบทักท้วงตรวจสอบเอาตัวมันละเปลี่ยนมันเอาตัวมันสอนตัวมันมันอยู่ในตัวเดียวกันมีสติดูจิตมีจิตดูจิตเสร็จเลยเอาในจิตมันก็ดูจิตของมันนะมันไม่มีทางไปไหนแลยปฏิบัติธรรม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 มันหลงไปมันลืมไปไม่ได้เจตนานะง่ายกวัวที่จะไปให้เป็นเรื่องเป็นราว